สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งนะท่านเป็นคนที่มีหลักการนะแล้วก็มีคุณธรรมนะมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คราวนึงสถาบันวิจัยของท่านนี่ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะเพื่อทำงานวิจัยเมื่อทำงานวิจัยเสร็จท่านก็เห็นว่าเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนหนึ่ง มาแบ่งเป็นรายได้พิเศษให้กับคนทำงานซึ่งก็รวมถึงพนักงานพิมพ์ดีด้วยก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยพนักงานคนไหนนะผิ์ ม, มากนะก็จะได้มากนะคนไหนพิมพ์น้อยก็ได้น้อยคือแบ่งเงินรายได้เนี่ย ตามจำนวนหน้าที่พิมพ์พนักงานคนไหนพิมพ์เยอ ะ, อะก็ได้เยอะพนักงานคนไหนพิมพ์น้อยก็ได้น้อยแต่พอเลขขาดุการสถาบันทราบเข้าเนี่ย ก, ก็แยงนะบอกว่าทำนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีปัญหาก็เลยเสนอให้เอาเงินก้อนนียมาเป็นกองกลางแล้วก็ แบ่งให้พนัก ง, งานพิมพ์เด็กทุกคนเท่าๆกันอาผู้อำนวยการสถาบันคนนี้ทีเรียกก็งงนะว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะที่ถิงใครทํางานมากก็น่าจะได้มากใครทางานน้อยก็ได้น้อยแต่เลยขาดุการสถาบันก็คงเห็นว่าเนี่ยคืนทำอย่างนั้นนี่ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สถาบันนะบางคนก็คงจะไม่พอใจคนไหนที่ไม่พอใจนะก็คนที่ได้น้อยนั่นแหละงได้น้อยนะแต่ว่าเพื่อนคนอื่นได้มากเนี่ยก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วบางทีอาจจะเกิดความไม่พอใจพูโนโดยการขึ้นมาเลยที่จริง ความคิดของผู้ดำเนินการนี่มันก็ถูกนะใครทำงานมากก็ได้มากนะใครทํางานน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าถ้าเราคนจานวนไม่น้อยเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นถ้าได้น้อยเมื่อไหร่นี่ก็จะเกิดความไม่พอใจไม่ได้สนใจเหตุผลนะ ว, ว่าเกิดเพราะฉันมีผลงานน้อยหรือว่าทํางานน้อยฉันถึงได้น้อย คนส่วนใหญ่ก็จะไม่คิดแบบนั้นเน่เพราะว่าพอเห็นคนอื่นได้มากกว่ามันจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีอันนี้มันคคล้ายๆกับเจ้าที่นะทำงานครบปีก็ได้โบนัสถ้าได้โบนัสอกสองแสนนี่ก็ดีใจ แต่พอรู้ว่าเพื่อนนี่ได้โมนัสสองแสนห้าสองนแปดจากความดีใจก็เป็นความเสียใจทันทีเลยเสียใจเพราะได้น้อยก็จะบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมเจ้านายลำเอียงจะ ก, ก็แปลกนะชาตตัวองได้มากกว่าคนอื่นเนี่ย ไอ้เสียงบ่นว่าไม่ยืติธรรมนี่หมดไปเลยตัวเองได้มากแต่คนอื่นได้น้อยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเองได้น้อยส่วนคนอื่นได้มากทั้งที่คนอื่นทามากกว่าหรือว่ามีผลงานดีกว่าอันนี้กลายเป็นปัญหาทันที ก็จะมีเสียงบ่นว่าไม่ยตดธรรมเจ้านายลำเอียงอันนี้มันเป็นจะว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็คงจะว่าได้นะคือคนเราเนี่ยนะชอบเปรียบเทียบและจะไวมากนะเวลาพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นทั้งๆที่เหตุผลที่ตัวเองได้น้อยเนี่ยก็อาจจะ มีมากมายหลายประการซึ่งก็เป็นความถูกต้องด้วยเช่นเป็นเพราะทำงานได้น้อยนะพิมพ์ดีนน้อยกว่าเขามีผลงานพิมพ์ดินน้อยกว่าเขาก็ได้น้อยคนอื่นเขาทำงานมากกว่ามีผลงานมากกว่าเขาก็ได้เยอะเหตุผลนี้นก็ดูดีนะว่าแปลก็เป็นความถูกต้องแต่ว่า หลายคนก็จะไม่ยอมรับเหตุผลแบบนี้ถ้าพบว่าสัวนี้ได้น้อยกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกินเลทล้วนๆ น, นะนะเป็นเรื่องของอความปรารถนาที่จะได้มากเรื่องนั้นเราก็ต้องได้เท่าคนอื่นแล้วนี่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในองค์กร ในหน่วยงานนะที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาบ่อยครั้งในครอบครัวนี่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะความคิดแบบเนี้อย่างเช่นบางคนนี่ก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักนะพ่อแม่ไม่รักตัวไม่รักตัวเองพ่อแม่รักพี่ หรือน้องมากกว่าทำไมถึงคิดว่าพ่อแม่รักลูกคนอื่นมากกว่านะก็เพราะ่สงได้น้อยนะน้อยที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่เป็นเงินทองนะแต่จะมาถึงความใส่ใจอย่างเช่นเวลาพี่หรือน้องเนี่ยนะไปข้างนอกบ้าน พ่อแม่ก็จะเป็นห่วงคอยถามว่าเมื่อไหร่พี่หรือน้องเนี่ยจะกลับจะมาถึงบ้านสักทีแต่ตัวเองนี่เวลาไปข้างนอกนี่พ่อแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงไม่ค่อยทักถามจะกลับบ้านสายพ่อแม่ก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ลูกคนอื่นนี่ไม่ได้นะถ้ากลับบ้านผิดเวลานี่พ่อแม่ก็มีอาการกรังวลกรวายหลายคนที่พอเปรียบเทียบอย่างนี้ก็รู้สึกน้อยใจนะถามว่าพ่อแม่นี้ไม่รักแล้วหมดทีก็ฝังหรือเก็บความรู้สึกนียวไวนะ้นตนโตรหรือว่าอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ ก็รู้สึกแย่กับพ่อแม่ที่จริงพ่อแม่ก็มีเหตุผลน ะ, ะเช่นว่าเนี่ยลูคนอื่นนีเ่เขาก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่เชื่อคนง่ายเอาตัวไม่ค่อยรอดไม่ค่อยมีปฏิพันธ์ไหวพริบเพราะในเวลาไปข้างนอกนี่ถ้า กลับบ้านผิดเวลานี้พ่อแม่ก็เป็นห่วงแล้วพราะกลัว่าจะประสบปุบติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีคนหลอกหลอกล่อไปไหมในขณะที่ลุยคนหนึ่งนี่นะเป็นคนที่เก่งนะมั่นใจตัวเองมีปฏิภาณไว้พริบรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองเอาตัวรอดได้ก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงหรือไม่ค่อยแสดงทีท่า เป็นห่วงนะพ่อแม่มีเหตุผลนะที่จริงก็รักลูกเท่ากันนะแต่ว่าการแสดงออกอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าคนหนึ่งไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยมีปฏิภาณไหวพริบอีกคนหนึ่งนี่ฉลาดเอาตัวรอดได้แต่ว่าลูกไม่เข้าใจนะลูกเห็นว่าพ่อแม่ ให้ความสนใจให้ความห่วงใยกับลูกคนอื่นหรือให้ความสนใจความห่วงใยกับพี่หรือน้องมากกว่าตัวเองพอคิดแบบนี้เข้าก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าตัวเองนี้เนี่ยคงมีอะไรบกพร่องที่ทำให้แม่ไม่ค่อยรักหรือพ่อไม่สนใจแล้วต่หลังก็ผ่านคิดไปถึงว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ยุสิธรรมพ่าแม่ไม่ไม่รักตัวเองเกิดความกินแหนงแข่งใจนะ หรือว่าในสูตรก็เกิดความโกรธขับแค้นใจขึ้นมานั่นก็เป็นปัญหาในหลายครอบครัวนะซึ่งถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นนิสัยของคนเรานี่ที่ชอบเปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบเดี๋ยวไม่พอนะมันไวนะไวต่อการที่ตัวเองนี่ได้น้อยได้น้อยกว่าคนอื่น สิ่งที่ได้นี่อาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุอาจจะไม่ใช่เป็นเงินทองแต่จะมาถึงความใส่ใจหรือการแสดงความห่วงใยที่บางครั้งตัวองก็ได้มากนะหรือก็ได้เท่าออคนอื่นนะแต่ว่าไม่ค่อยสังเกตบางคนเรานี่มักจะไวเฉพาะเวลาที่ตัวองได้น้อยออกว่าคนอื่น แต่ถ้าได้เท่าคนอื่นหรือทื่อสัมันคือได้มากคนอื่นนี่บางทีอมองข้ามไปเลยเวลาที่ตัวเองได้มากกว่าคนอื่นได้ท่าคนอื่นนี่ก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เอดใจไม่สะดุดใจแต่พอได้น้อยคนอื่นนี่มันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาทันทีแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นนี่นะพลอย ย่ำแย่ไปด้วยคือไปคิดว่าเขาไม่รักก็ไม่ยุติธรรมเจ้านายลำเอียงนะพ่อแม่และคนอื่นมากกว่าและพอความ้สึกดันที่เกิดขึ้นแล้วนี่มันก็เกิดปัญหาตามมามากมายบางทีอาถึงขั้น เ, เกลียดชังกันไปเลย เกียรชังบางทีไม่พอนะถึงขั้นทำอะไรที่มันเลวร้วายอันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือกับพ่อแม่แต่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกน้องกับเจ้านายก็ได้ถ้ามันมีนะผู้ผู้ปกครองพระราชา หรือว่าผู้มีทิพผลเจ้าพ่อพวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกน้องคนสนิทที่คอยเป็นมือเป็นไม้บางทีก็เรียกว่าพักดีจนยอมตายได้แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะลูกน้องคนสนิทเนี่ยหรือว่าเสนาบดีก็อาจจะบริพาณเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าเจ้านายหัวหน้าเนี่ยไปปรดปลานคนอื่นมากกว่าที่อย่างนั้นได้ไงก็ก็สังเกตว่าเนี่ยตัวเองได้รับความสนใจหรือว่าได้รับการตบรางวัล น, น, น้อยกว่าที่คนอื่นได้ เจอแบบที่เข้าครั้งสองครั้งไม่เท่าไหร่นะพอเจอหลายๆครั้งก็รู้สึกน้อยใจนะว่าเจ้านายนี่นะไม่รักตัวเองแล้วไปไปรักคนอื่นมากกว่าทีจริงเนี่ยไอ้ตอนที่เจ้านายเนี่ยให้กับลูกน้องคนที่มากกว่าคนอื่นก็มีนะแต่ว่าไม่สังเกต อย่างที่บอยนักคนเรามันจะไวนะก็ตอนที่ตัวเองเได้น้อยคนอื่นตอนที่ตัวเองได้พิเิษสิพิเศษนะยินดีพอใจแต่ว่าไม่สะดุดใจแต่พอตัวเองเนี่ยได้น้อยคนอื่นเนี่ยมันจะไวมันจะสังเกตแล้วมันจะจำเลยนะอันนี้คงคล้ายเวลาเรารอรถเมยนะหรือรอรถไฟฟ้าสมัยก่อนรถเมย์เดือยนะ เ, เวลารถเมย์มาทันเรารอไม่นานเนี่ยเอยเราก็ดีใจแต่ไม่ได้สึกสาจุดใจอะไรแต่เวลารถเมย์มันมาช้าเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นก็สองสาครั้งเนี่ยจะรถถู้สึกว่าเออเราโชคไม่ดีนะเวลาอยากจะขึ้นรถเมย์มันไม่มา เ, เวลาไม่อยากจะขึ้นนี่มันมาเวลาอยากจะขึ้นมันไม่มาหรือเวลาเราต่อคิวเนี่ยมันมักจะบ่นมันทําไมมัน ต่อคิวทัวเนี่ยได้คิวยาวทุกทีที่จริงตอนที่คิวสั้นก็มีนะแต่ไม่จําตอนที่ต่อคิวสั้นๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่ไม่จำํำจะจําได้เฉพาะตอนที่ต่อจอคิวยาวแล้ก็จะบ่นว่าทำไมเวลาเข้า Q ิวทัวร์ไลนเจอคิวยาวทุกทีเลยที่จริงไม่ใช่หรอกนะเจอคิวสั้นก็มีแต่ไม่สังเกตไม่จำํำ แนละเหมือนกันนะบางทีเป็นลูกน้องใครเนี่ยทำไมเจ้านายนี่ไปเปิดปรานคนอื่นมากกว่าตอนหลังก็เกิดความน้อยใจพอน้อยใจยนานๆก็เกิดความไม่พอใจครับแค้นใจตอนอถึงขั้นเกลียดเลยนะจากที่เคยยอมตายกลายเป็นคนกลายเป็นทรยศหักหลังเลยก็มี หรือว่าเป็นเป็นมือเป็นมาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโคนล้มพระราชาหรือโคนล้มเจ้านายโคนล้มเจ้าพ่อเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเพราะความรู้สึกนะที่ชอบเปรียบเทียบหรือว่าจิตใจวันไหวบางทีมันมีเสียงนะเวลาเจอเรื่องแบบนี้มันจะมีเสียงเป่าหูเนี่ยเจ้านายไม่ยุติธรรม เจ้านายลำเอียงเจ้านายไม่รักเราไอ้เอสียงเป่าหูวเงี้ยมันก็มีกัทุกคนนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใจิตใจไม่มันคงก็หลงเชื่อนอกจากตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ยังไปคิดแก้แค้นเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะในะในหน่วยงานหรือว่าในแวดวงของ พวกที่แสวงหาลาภยศอำนาจอย่างเดียวนะแม้กระทั่งในแวดวงของคนที่ใฝ่ธรรมนี่ก็มีเหมือนกั น, นเวลาศรัทธาใครนับถือใครแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความสนใจจากเขาเท่าที่ควรหรือเท่าที่ตัวเองอยากจะได้เนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจอย่างในสายพุสธการนี่มีคราวหนึ่งนะพระสารีบุตรเนี่ยจะ ออกจาริกก็มีลูกศิษย์ลูกหานะสัตวิหาริกนีนจำนวนมากเนี่ยมายืนเข้าแถวรอส่งอาจารย์แถวยาวเลยนะพระสารีบุตรเนี่ยก็เดินขณะที่เดินออกจากเชตวันก็ทักทายผู้คนที่มารอส่งถามชื่อถามโคร นะกับทุกคนเลยแต่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยที่ท่านมองไม่เห็นนะท่านก็ไม่ได้ถามพระรูปนั้นเนี่ยศรัทธาภาษาริบุตรมากนะแต่พอท่านไม่จักไม่ถามเนี่ยก็เกิดความน้อยใจในทำไมคนอื่นได้รับความสนใจจากภาษาริบบทจะทำไมเราไม่ได้ เกิดความทุกข์แล้วเกิดความน้อยใจแล้วความน้อยใจกลายเป็นความคับแค้นใจถึงขั้นกล่าวหาพระไศรยบุตรเลยนะว่าเนี่ยทำร้ายท่านเพราะาบังเอิญเนี่ยชายจีวรของพระไศรยบุตรเนี่ยชายสังฆาติไปถูกไปถูกตัวพระรูปนี้ก็ได้หาเหตุเลยเนื่องจากคนที่ศรัทธาในพระไศรยบุตรเนี่ยกลายเป็นคนที่ กล่าวหาท่านนะเพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสนใจเปรียบเทียบกับคนอื่นได้มากแต่ตัวเองได้น้อยก็กลายเป็นเรื่องเลยนะมีการโจทย์กันแต่สุดท้ายก็จบลงได้ดีอันนี้มันแสดงหเห็นว่าคนเรานี่มันก็มันมีมันมีจุดอ่อนนะที่ จะเรียกว่าเป็นเกิจกดจากกิเลส ก, ก็ได้เกิจกกดจากอัตตานะที่มันปรารถนาที่จะได้รับอะไรมากกว่าคนอื่นแล้วคอยเปรียบเทืยบนะว่าคนหนึ่งเขาได้มากหรือได้น้อยกว่าฉันไอ้ได้น้อยนี่ไม่ไม่ติดใจแต่ถ้าได้มากนี่จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาันทีมันจะมีเสียงมาเป่าหูนะว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมนะ หรือว่าครูบาอาจารย์เขานะหรือพ่อแม่นี่รักคนอื่นมากกว่าแม้แต่เรารู้กันว่าต้องจิตใจต้องมั่นคงนะมั่นคงวันไม่วันไหวไม่ง่ายกับเสียงเป่าหูหรือเสียงยั่ว ย, ยุของอตัวกินเลสหรือเจ้าตัวร้ายเนี่ยจึงมันมาค อ, อยยุแยงให้เราเกิดความทุกข์เกิดความน้อยเนือน้อต่าใจหรือเกิดความไม่พอใจคนอื่นจนกระทั่ง จากเดิมที่รักกลายเป็นเกลียดจากคนที่เคยคารบกลายเป็นคนกลายเป็นเกลียดชังหรือว่าโกรธขึ้นมามันจะมีเสียงแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวเราอยู่เสมอตราบใดที่เราเป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู่มันต้องมั่นคงนะหนักนน่นเพราะไม่งั้นจะเกิดทุกข์แล้วทำให้ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เราทกันต้องรู้ทันด้วยรู้ทันกิเลสที่มันชอบเอาตวาัวเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นเรื่องอัตตาเลยนะคนเรานี่มันชอบเอาตวาัวเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่นเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมีเหตุผลที่ได้น้อยที่เราได้น้อยเพราะว่าเราทำงานน้อย หรือว่าที่พ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ซักถามห่วงใยเราเพราะว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งเอาตัวรอดได้นี่คือเหตุผลของพ่อแม่หรือเจ้านายแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่นเพราะว่าเอาตัวเป็นศูนย์กลางก็เลยว่าฉันต้องได้มากกว่าคนอื่นหรืออย่างน้อยฉันก็ต้องได้เท่าๆกับคนอื่น ส่วนหงก็เป็นเรื่องความการที่ไปยึดกับความถูกใจเมื่อความถูกต้องด้วยออก็เราปรัชนาความถูกใจนะถูกใจคือได้มากคน อ, อื่นได้รับความสนใจมากคนอื่นทั้งที่บางทีเนี่ยมันจะไม่อาจจะไม่ถูกต้องก็ไดนะ้เพราะเราทําน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าความถูกต้องมันไม่มีความหมายนะถ้าว่า มันไม่ถูกใจใเม่หรากต้องต้องระวังตรงนี้ด้วยนะถ้าเราเนี่ยเอาความแสวงหาความถูกใจให้น้อยลงใส่ใจความถูกต้องให้มากขึ้นไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหรนะ่เพราะเราเข้าใจได้ดงนั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องหันมามนสังเกตตัวเอง ดูเท่าทันให้เสียงยั่วยุเสียงยุแย่ที่มันมาคอยทํำให้เราเขวททำให้เราน้อยเนื้อต่าใจทำให้เราเกิดความไม่พอใจอย่างที่บอกนะแม้กระทั่งในในหมู่ผู้ที่ฝ่ายทเนี่ยมันก็มันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ตราบใดที่ยังมียังมีกิเลสยังมีอัตตา เพราะว่านิสัยชอบเปรียบเทียบเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวคนเราอยู่แล้วเปรียบเทียบเพื่ออะไรเปรียบเทียบเพื่อว่าฉันจะได้มากกว่าคนอื่นแต่พอเพราะว่าฉันได้น้อยคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีไอ้เสียงมันเป็นโอกาสแล้ยนะที่เจ้าตัวลายนี่มันจะมาเป่าหูปันหัวว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรม เ, เจ้านายลําเอียง สารพัดเลยซึ่งก็เปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดนี้เข้ามาเสรยแล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกแต่มันบางทีก็ลงถึงการกระทำเลยก็มีเกิดปัญหาตามมามากมายนั้นถ้าเราอยากจะรักษาใจให้ปกติเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันไอ้ตัวกิเลสตัวนีนะ้แล้วก็มีความหลักด้่นมั่นคง เอาชานิวพุทธนี้นะออกกราบครับ